ตอนนี้เสียงค่อนข้างดังเยลยเพราะฝนตกใชาพอได้ยินหรือเปล่าผนนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นฟ้าอากาศเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาว่าอนัตตก็คือไม่มีตัวตนไม่มีใครมาควบคุมบังคับ จริงของทั้งหมดในโลกนี้เป็นอนัตตาทัางออ้งหมดแต่ความโง่ของใจของพวกเรามาแยกของบางอย่างว่าเป็นอัตาตาเป็นของเราเช่นร่างกายนี้เรามาแยกว่าเป็นของเราความจิตก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะก็ทํามาจากเลนน้ำลมไฟเหมือนกับผลที่ตบนี้ก็เป็นน้ําน้ําผลนี้เราควบคุมบังคับไม่ได้ ให้ตกหรือให้หยุดไม่ได้เขามีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาตกทําให้เขาไม่ตกร่างกายของเราเราก็บังคับไม่ได้เขาจะเจริญติบโตเขาก็จะเติบโตขึ้นมาพอเขาจะเสือ่อมเขาก็เสือ่อมเช่นเวลาแก่นี่ก็เรียกว่าเสือ่อมร่างกายก็ต้องเสือ่อม เวียนน้ำลงไปในร่างกายแปรโวนเสื่อมลงทำให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนชร า, ลาแล้วก็เกิดอาภาตเกิดอาการแปรโวนไม่ปกติทำให้ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวกก็เหมือนกับธรรมชาติฝนฟ้าอากาศ บางครั้งก็เกิดพายุขึ้นมาบางครั้งก็เกิดน้ำท่วมบางครั้งก็เกิดแผ่นดินไหวอันนี้คือธรรมชาติสรุปแล้วก็คือพระเจ้าทรงตรัสชารุว่าร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราเป็นใจเราเป็นใจที่มาครอบครองร่างกาย แต่เราไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้เสมอไปบางเวลาธรรมชาติเขาก็จะ take over เขาจะไม่ให้เราควบคุมเช่นร่างกายบางเวลาเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราพยายามควบคุมไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่เราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติก็ทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ปวดเราควบคุมไม่ให้ร่างกายแก่เราก็ควบคุมไม่ได้เราควบคุมให้ร่างกายไม่ตายก็ควบคุมไม่ได้ดนั้นเราควรที่จะปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับเราปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างอื่น ก็คือเราต้องไม่ไปควบคุมบังคับธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาเช่นธาตุาานี้ก็มีขึ้นมีลงมีการโคจรรอบโลกรอบเพื่อมีขึ้นมีตกก็เหมือนกับโคจรรอบโลก แต่ความจริงโลกหมุนเลยทําให้เหมือนกับว่าผ้าเทศหมุนตามโลกแต่ความจริงผ้าเทศนี้อยู่นิ่งๆโลกหมุนก็เลยทําให้ะมองเห็นว่าผ้าเทศเคลื่อนไหวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครไปอยากจะควบคุมบังคับ การหมุนเรียนของโลกว่าให้หมุนเร็วกว่านี้หรือให้หมุนช้ากว่า น, นี้เพรเราทําไม่ได้จะไปควบคุม บ, บังคับไม่ให้พาทิศสายฉายแสงก็ไม่ได้ดังนั้ น, นเราก็ควรที่จะอะปฏิบัติกับร่างกายของเราฉันนั้นเพื่อเราอย่าไปห้ามอย่าไปอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากนี้จะทําให้สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใจของเรานี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติธรรมชาติจ ะ, จะเจริญจะเสือ่อมไม่น่ามาทำให้ใจเราทุกข์แต่ใจเราทุกข์เพราะเราไปอยากให้ธรรมชาติเป็นไปตามความอยากของเรา คือไม่อยากให้เสื่อมนั่นเองอยากให้เจริญ่อย่างเดียวซึ่งตามหลักของธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีเจริญมีเสื่อมสลับกันไปเหมือนถ้าเทพมีขึ้นมีตกสลับกันไปเราต้องมาสอนใจใหม่สอนใจให้มองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลงไปอาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายทามาจากดินน้ําลงไปน้ําก็คือน้ําต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายเช่นตอนต้นออกมาจากท้องแม่เราก็ดื่มน้ํากันมากดื่มน้ํานมภายในน้ํานมนั้นก็มีธาตุดินคืออาหารผสมอยู่ด้วย จึงทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็หายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เอาธาตุาาาาลมเข้าไปเอาธาตุน้ำธาตุดินเข้าไปแล้วพอธาตุทั้งสามนี้มาผสมกันก็ทําให้เกิดธาตุที่สี่คือความร้อนขึ้นนี่คือร่างกายของเราเป็นการผสม ประสารของธาตุทั้งสี่เป็นน้ำลงใสแล้วก็ในการเจริญเติบโตในเบื้องต้นพอคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วพอได้ดื่มน้ำนมได้รับประทานอาหารที่มีอยู่ในนมธาตุินที่มีอยู่ในนมได้หายใจได้รับความร้อน ก็ทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจากทารกก็เป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่พอจเจริญถึงขีดจเจริญเต็มที่เหมือนกับภระอาทิตที่โคจรมาถึงกางฟ้าตอนเที่ยงวันนั่นคือความเจริญสูงสุดของดวงอาทิตย์ ธาติที่จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆจากพื้นดินไปจนกระทั่งถึงกลางฟ้าตอนเวลาเที่ยงวันแล้วหลังจากนั้นธาตุก็จะเริ่ม ล, ล, ลดความสูงลงมาจะค่อยๆตกลงไปทีละ เ, เล็กเทยน้อยพอจนถึงหกโมงเย็นก็ตกถึงดินร่างกายก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ อายุตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปถึงสี่สิบปีนี้ก็เรียกว่าไปถึงกลางทางไปถึงขีดสูงสุดของความเจริญของร่างกายร่างกายหลังจากอายุสี่สิบไปก็เริ่มจะแก่ชราลงไปพอถึงแปดสิบก็รือว่าถึงดินล้วถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกลนะ ร่างกายของคนเราก็โดยประมาณก็แปดสิบวกลบสิบยี่สิบเอร์ซแล้วแต่บุญบาปแล้วแต่ความสามารถที่จะดูแลประทับประคองร่างกายนี้ให้อยู่ไปนานได้ได้เท่าไหร่บางคนก็มีบุญมากมีความสามารถมากก็อยู่ได้เกินร้อยก็มี แต่มีจำนวนน้อยมากโดยเฉลี่ยแล้วแปดสิบนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมของชีวิตของร่างกายนี้ไม่ว่าใครจะอยากอยู่นานไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ร่างกายอยู่ได้ดังนั้นขอให้เรามองร่างกายว่าเป็นเหมือนกับการโคจร ของดวงอาทิตย์ 1, ที่ไม่มีใครไปยับยังวิถีโคจรของร่างกายนี้ได้ถ้าเราไปอยาให้ร่างกายนี้ไม่โคจรตามที่เขาเป็นอยู่เราก็จะทุกไปไ ป, ปเป่าเกลนเราจะอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ อยู่ที่อายุ40คือหลังจาก40แล้วก็ไม่ให้เสื่อมให้อยู่40ไปตลอดถ้าทำได้ก็ดีแต่ก็ไม่ดีตรงที่ว่าโลกมันจะคนจะล้นโลกแล้วเดี๋ยวจะต้องทำสงครามก็ต้องฆ่ากันอยู่ดีเพราะถ้าคนไม่ตายอยู่อายุ40ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวอาหารก็ไม่พอกินก็ต้องแย่งกันนี่ขนาดในคนตายยังต้องแย่งกันเลยยังมีทําสงครามกันอยู่เพราะว่าที่ทําสงครามก็เพื่อยแย่งทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงร่างกายและเลี้ยงจิตใจจิตใจนี่ก็ต้องการของในโลกนี้เหมือนกันเช่น สิ่งต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานั่งเหลือจากปัจจัยสี่เราก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเลี้ยงใจของเราให้ใจของเรามีความสุขเช่นภาพยนตร์โทรทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจอยากได้ใจก็ต้องเอาของที่มีอยู่ในโลกนี้ผลิตขึ้นมาเมื่อผลิตแล้วก็ต้องแย่งกัน เราผลิตรถยนต์ผลิตอะไรต่างๆแล้วเราต้องใช้น้ำมันพอน้ำมันเราไม่มีเราก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นถ้าเขาไม่ขายถ้าเราเป็นประเทศที่มีอาวุธมีพลังเราก็อาจจะไปยึดประเทศนั้นเพื่อเอาน้ำมันของเขามาใช้นี่ก็คือเรื่องของใจของพวกเราที่มา ครอบคลองร่างกายมาได้ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากจะได้สิ่งที่ใจอยากได้ก็คือรูปเสียงกลิน่นรสใจนี้อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นอยากลิ้นรสอยากเสพสัมผัสทางร่างกายก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเสพกัน อันนี้เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับโลกเพราะว่าความอยากของใจนี้มันไม่มีประมาณเหมือนกับความต้องการของร่างกายร่างกายนี้มีประมาณกินได้เท่านั้นวันนึงก็กินได้เท่านั้นมากไปกว่า น, นั้นก็กินไม่ได้แต่ใจนี้มันอยากจะกินอยู่เรื่อยๆมันบังคับให้ร่างกายกินทั้งๆ ท, ที่ร่างกายไม่อยากกิน ก็ร่างกายนี้เสียหุ่นไปเสียรูปไปกลายเป็นตุ่มไปมแล้วยังไม่พอนอกจากกินแล้วยังอยากจะดูอยากจะฟัง<ม>อยากจะดื่ ม, ม, มก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆมาเสกมาดูมาฟังกัน<ม>ก็ทําให้ต้องไปแข่งแย่งกัน ก็ของเหล่านี้มันก็มีจำนวนจำกัดคนที่มีพลังทางเงินทองก็สามารถื้อสิ่งต่างๆมาเสพได้คนที่ไม่มีก็ต้องไปหากันบางทีก็หาโดยวิธีไม่ชอบไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อเกิดการต่อสู้กัน ก็ต้องทำลายชีวิตกันทำลายชีวิตกันอันนี้เป็นพราความอยากของใจที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เวลาเกิดความอยากก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขอยากแล้วไม่ได้ทํานี่รู้สึกหงุดหงิดลําทานใจอยากจะดูละครพอดีไฟดับตรงนี้ ไม่ได้ดูก็หงวดหงิดเลยอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำมันก็หงวดหงิดต้องไปหาไปทำให้ได้แล้วบางทีก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้ทำสิ่งที่อยากได้อยากทำอันนี้เป็นตัวปัญหาของโลกของชีวิตของพวกเราคือความอยากของพวกเรา ทเป็นตัวสร้างความทุกสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราทําให้เราอยู่เฉยๆได้ได้ต้องหาสิ่งต่างๆมาเสดอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องมีเวลาที่จะไม่สามารถเสดมันได้เช่นต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนนั้นก็จะไม่สามารถเสพสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวแล้วถ้าไม่ระมัดระวังก็ก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีวามสุดแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ป, ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราของใจของพวกเราถ้า <c oughs> อยากจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากต้องทำลายความอยากต้องไม่ทำตามความอยากการที่จะไม่ทำตามความอยากได้เราต้องทำใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าเราทำใจให้สงบได้ความอยากก็จะหยุดทำงาน แล้วพอความอยากหยุดทํางานความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราทุกคนที่เราต้องมามีร่างกายกันก็เพราะว่าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆยังอยากดูอยากฟังเห็น อยากลิบรถอยากดมกลิ่ต่างๆเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำก็ทุกข์เวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากยังมีอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกาย ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำนุไ่ไฟตอนต้นก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่มาอย่างไรยอย่างราประโยชน์มาผสมกันพอผสมแล้วก็เริ่มขยายตัว จากหนึ่งจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดขยายตัวไปได้เรื่อยด้วยอาหารที่มีอยู่ในสายเลือดของแม่เอาอาหารคือดินน้ำนมไฟที่อยู่ในเลือดนี้มาขยายมาขยายร่างกายนี้ให้โตจติกโตขึ้นมาให้มีอาการสารสิบสองพอร่างกายที่อยู่ในคันนี้ จ เ, เจริญเติบโตจนไม่สามารถที่จะอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาเพื่อที่จะได้จ เ, เจริญเติบโตต่อไปเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางถ้ามันโตเต็มที่แล้วเราก็ต้องย้ายออกจากกระถางเอาไปลงดินมันถึงจะโตได้เพราะว่าในกระถางนี้ดินหมดและกลายเป็นรากหมด ต้องย้ายเอาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางไปลงดินเพื่อจะได้มีดินให้มันเจริญเติบโตมีดินมีน้ามีอากาศมีความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีสี่อย่างนสิ่งที่มีชีวิตนี้ต้องมีสี่อย่างสิ่งที่มีชีวิตนี่มีสองชนิดชนิดที่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้นี้่ขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิต เหมือนกับร่างกายแต่ต่างกันตรงที่เขาไม่มีวิญญาณมาครอบครองแต่ร่างกายของพวเราเนี้ยมีวิญญาณคือมีใจมาครอบครองใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้อยากได้อะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้ทุกขกับความอยากของตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเวลาทุกข์จากความอยาก แทนที่จะแก้ที่ความอยากก็กลับไปทำตามความอยากแทนอยากได้อะไรก็ไปหามาพอได้มาความอยากก็หยุดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หยุดไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหา ของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจต่างๆวิธีจะ ต, ต้องหยุดความอยากต้องหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากนี้ต้องมีเบรกหยุดความคิดต้องหยุดความคิดสิ่งที่จะหยุดความคิดได้เรียกว่าสติสติกก็คือการจดจ่อให้ใจ อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเช่นให้จบจออยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆไปแทนเรากําลังทุกอยู่กับเรื่องของลูกคิดอยู่กับเรื่องของลูก อยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกดีแต่ลูกกำลังไปในทางที่ไม่ดี<ม>ก็ไม่สบายใจอยากจะให้ลูกหยุดไปในทางที่ไม่ดีแต่บอกอยังไงสอนอยังไงเขาก็ไม่ฟังเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องลูกได้เรามาคิดอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะลืมเรื่องลูกไป แล้วความอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปแล้วเราก็จะสบายใจขึ้นมาเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นการหยุดชั่วคราวพอเราถอนเบรกออกมาเราก็จะกลับไปคิดถึงลูกอีกพอคิดถึงลูกอีกก็จะไม่สบายใจพระพุธเจ้าก็สอนว่ามีอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้เราไม่ทุกกับลูกเลยเราต้องมองลูกให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติเขเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาไปในทิศนั้นไปในทิศนี้ได้เช่นลมพัดอย่างนี้เราไม่สามารถสั่งให้ลมพัดไปทางทิศเหนือหรือพัดมาทางทิศใต้เช่นตอนนี้ลมกำลังพัดไปทางทิศเหนืออยู่เราอยากให้พัดมาทางทิศใต้ เราก็สั่งให้ลมพัดมาทางนี้ไม่ได้ไดังใดลูกกําลังไปทางทิศเหนืออยู่แต่เราไม่อยากให้เขาไปทางทิศเหนืออยากให้เขามาทางทิศใต้เราก็สั่งให้เขามาไม่ได้นี่คือการมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติเราจะได้หยุดความอยากของเราเพอเรารู้ว่าอยากไปก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แ็นฝนตกนี่เราอยากให้หยุดั้ยเราสั่งให้ฝนหยุดได้ไั้ยเราปล่อยให้ปล่อยให้ฝนตกไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้หยุดนี่เราจะเครียดเราจะอึดอัด<ม>เราอยากจะออกไปทำอะไรก็ทำไม่ได้ความอยากทำให้เราเครียดทำให้เราอึดอัดตอนเราไม่มีความอยากตอนนี้เรานั่งฟังเทศไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอยากจะไปทำอะไร ฝนจะตกหรืไม่ตกเราก็ไม่เดือดร้อนอนี่คือวิธีแก้กความอยากอย่างถาวรต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาตินมะ่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของลูกเราร่างกายของสามีของภรรยาเราร่างกายของบิดามารดาร่างกายของยากสนิทพิษสหายเป็นธรรมชาติหมด มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างที่พระอัญญาณกนัญะได้มองเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นอย่างนี้พระอัญญาณกนัญะก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายของตนเองปล่อยวางร่างกายของคนอื่นได้ไม่ทุกข์กับความตายของไข่ ไม่เทุกกับความตายของตอนเองไม่ทุกความความตายของผู้อื่นเพราะเห็นว่าเป็นธรรมชาติร่างกายนี้เป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลนไปเวลาตายนี้เป็นเวลาที่ดินน้ำลนไป <c oughs> เขาจะไปแยกทางกันดินเขาอยากจะไปทางของเขาน้ำอยากจะไปทางของเขาลมอยากจะไปทางของเขา ไคอยากจะไปทางของเขาเขาก็ลยแยกกันไปคนละทิศคนลทางเช่นเวลาคนตายไปปั๊บนี่อะไรไปก่อนนะธาตุไฟไปก่อนนะลองไปจับตัวคนตายดูสิยังเฉียบธาตุไฟไปแลนะ้วธาตุที่สองไปก็ธาตุลมลมไม่เข้าแล้วมีแต่ออกกิ่นที่ระเหยออกมาจากทางร่างกายนะนี่ก็เป็นธาตุลม อ่อมาก็ธาบน้ําถ้าปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆเดี๋ยวธานน้ํามันก็ไหลออกมาตามทาวารต่างๆเในคนตายบางทีเราเขาต้องเอาสำลีอะไรไปอุดจมูกเพราะมันจะมีน้ําไหลออกมาทางจมูกามทางทวารต่างๆนะมันจะไหลออกมาแล้วถ้าปล่อยให้มันไหลออกมาเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแห้งก่อน ทิ้งไปมันก็จะเปื่อยผุกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติเวลารวมตัวกันเราก็ดีใจเวลาต่อร่างสร้างตัวในท้องแม่พอตั้งท้องก็ดีใจว่าจะได้ลูกแล้วพอคลอดลูกออกมาก็ดีใจโอ้ได้ลูกแล้วเป็นของเราแนละ้วแต่พอเวลาเขาไปเนี่ยเขาแยกกับครืงสูธธ่ธาตุเดิมของเขาที่เดิมของเขา เราก็ร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่อยากให้เขาไปเนี่ยความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเพราะเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นของเราเราไปคิดว่าเราจะรักษาให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเราจึงต้องมาสอนใจใหม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์แต่เราอยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องสอนอยู่ตามที่เราเคยอยู่ เราได้ทุกแ น, น่แน่ได้ทุกกับทุกเรื่องเพราะเรามีอะไรเราก็จะอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการมีเงินก็อยากจะให้มีมากๆขึ้นไปอย่างเดียวไม่อยากให้มันน้อยลงไปมีตำแหน่งก็อยากให้มันสูงขึ้นไปอย่างเดียวไม่ได้อยากให้มันลดลงมามีใครอยากจะจากนายพลมาเป็นนายพันน้องไหมให้มีหรอ มีแต่อยากจะเป็นจอมพลเป็นอะไรขึ้นไปให้สูงข่้ให้เรื่อยๆมีเงินล้านอยากจะให้เหลือแสนหนึ่งไหมอยากจะให้มีเป็นสิบล้านใช่ไหมนี่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับฝนตกอ่ะอยากให้ฝนตกไปทุกวันได้ไหมถ้ามันตกตลอดเวลาได้ไหมมันก็ตกไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันจะหยุดก็หยุดอยากจะให้มันเย็นไปตลอดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมัก็ร้อนขึ้น่ะ ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มีขึ้นขึ้นลงลงมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เปลี่ยนให้มันเป็นตามความที่เราต้องการเช่นร่างกายตอนนี้อยากให้มันเป็นแค่นี้ใช่ไหมไม่อยากให้มันแก่ไปกว่านี้อยากให้มันแข็งแรงไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์กัน ปัญหาของพวกเราของใจของพวกเราอยู่ที่ความทุกนี้เท่านั้นแหะแล้วความทุกข์ก็เกิดจากความอยากถ้าเราแก้ความทุกข์ไม่ได้แก้ความอยากไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างสบายเราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเรารู้ว่าการที่เรามาได้ร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข ตอนนี้เราได้มันมาแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้โดยที่เราต้องมองว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นดินเป็นดินน้ำลมไปเป็นฝนฟ้าอากาศมันจะตกก็ให้มันตก้าที่จะขึ้นก็ให้มันขึ้นมันจะลงก็ให้มันลงร่างกายจะจะโตก็ปล่อยให้มันโตไปจะแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ไปจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไป จะตายก็ไปปล่อยให้มันตายไปถ้าเราทำใจได้เราจะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีเพิ่มมากขึ้นมีลดน้อยลงไปมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ นี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติสัพเพธรรมานา ต, ตาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะสามารถไปควบคุมบังคับได้ไม่มีอะไรที่เราจะครอบครองไว้เป็นของเราได้ตลอดเวลาพอเวลาที่ร่างกายนี้มันตายไป ของทุกอย่างที่เราไีอยู่นี้เราก็เอาติดตัวไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดมีเงินทองมากน้อยเพียงไรมีตำแหน่งสูงเบียงไรก็ต้องทิ้งไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือความอยากหรือความไม่อยากถ้าเอาความอยากไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเอาความไม่อยากไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดหม่ ไปอยู่ที่นิพพานกับพระพุทธเจ้านิพพานนี้ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีร่างกายที่จะต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูท mm hmm. ุกวันนี้เราทุกกับการทำมาหากิน mm hmm. หรือไม่หรือว่าเงินทองไหลมาผล mm hmm. ไหลมาเทมาเหมือนฝนตก mm hmm. อาหารแต่ละมื้อนี่ก็จะหามาได้นี่ mm hmm. เดือดยากขนาดไหน การไม่มีร่างกายนี้มันดีกว่าการมีมีแล้วบรรทุกพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่มีไม่กลับมามีร่างกายเพราะท่านหยุดความอยากมีร่างกายได้หยุดความอยากถามอย่างก็ไม่ต้องมีร่างกายหยุดความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นนสนหยุดความอยากที่จะมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หยุดความอยากที่จะ ไม่จากสิ่งต่างๆนี้ไปพอไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็ไม่ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกลับมานีร่างกายเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะหยุดได้ก็ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นสัพเพธรรมะอนัตตา ลูเสียงเกินเราเป็นอนัตตาเราไปสั it, it like s <S <the S 2> ่งมันไม่ได้สั่งให้ให้รูปเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ให้ตอนนี้เสียงดังเราไปสั่งให้มันเงียบไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปตามเรื่องของมันอยู่เฉยๆทำใจให้เฉยอย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันหายตามอยากทั้งสองอย่างนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้มันอยู่หรือไม่ได้ไปอยากให้มันหาย เวลามันอยู่เราก็ไม่ทุกข์เวลามันไม่อยู่เราก็ไม่ทุกข์เราจะไม่อยากได้เราก็ต้องหยุดความคิดของเราให้ได้ทําใจเราให้นิ่งหยุดความอยากด้วยการมองความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วก็เหมือนกับเอามดมาทิ่มแทงใจเรา ทุกครั้งที่เราอยากนี่ก็เหมือนกับเอาของแหลมคมมาทิ่มแทงใจเราทําให้ใจเราทุกกันไม่สบายใจแต่เรามองไม่เห็นว่าเรากําลังทิ่มแทงใจของเราด้วยความอยากของเราเราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาหยุดความอยากเราต้องหยุดเวลาที่จะหยุดนี่มันจะเห็นโทษของความอยากเวลาที่เราหยุดได้เราจะเห็นว่ามันหายความทุกข์หายไป เวลาเราหยุดความอยากได้วิธีจะหยุดความยากความอยากที่ง่ายที่สุดในขั้นต้นก็คือให้ใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้จดจอ่ออยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วจดจอ่ออยู่กับการกระทําของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํากําลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้า กำลังแปลงฟันกำลังทำกับข้าวกำลังรับประทานอาหารให้อยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่อย่าส่งใจไปหาเรื่องอื่นอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดและเวลาเราไม่คิดความอยากมันก็เกิดไม่ได้ความอยากนี่อาศัยความคิดเป็นตัวตัวนา พออยากพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินให้หมาพอคิดถึงเครื่องดืม่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาพอคิดถึงละครก็อยากจะดูละครขึ้นมยแต่ถ้าเราอยู่กับร่างกายมันก็จะไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยากต่างๆพอเรามีกำลังหยุดความอยากได้เราก็สอนใจว่าให้มองทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติของทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ สั่งให้ลูกเราสามาสีเราภรรยาเราให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าอยากเราจะทุกข์พอเรามีความรู้อันนี้ถ้าเรามีความสามารถที่จะหยุดความอยากได้หยุดความคิดได้เราก็จะไม่ได้คิดในทางนั้นเราจะไม่ไปคิดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <THE P illar> เราจะคิดว่าเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา เขาจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปเขาจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้ายังห้ามได้อยู่ก็ทําไปไม่ว่ากันแต่จะต้องมีเวลาที่ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลานั้นก็ต้องปล่อยวางสัพเพมานาตาเหมือนตอนนี้เราห้ามฝนไม่ได้เราก็เลยปล่อยวางปล่อยให้ฝนตกไปถ้า ถ้าพกเราห้ามผนได้บางทีก็คงจะสั่งให้มันหยุดกันนะแต่มันห้ามไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยให้มันตกไปแล้วพอเราปล่อยให้มันตกไปเราทุกข์ไหเราไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากให้มันหยุดเนี่ยเราจะทุกข์ขึ้นมาแทนที่นี่คือการมาแก้ปัญหาของพวกเราปัญหาของพวกเราคือความอยากต่างๆที่จะต้องแก้ด้วยการหยุดไม่ไม่ใช่ด้วยการทำตาม การทำตามความอยากเป็นการสร้างความอยากใหม่ขึ้นมาวิธีที่จะทำลายความอยากก็คือการไม่ทำตามความอยากหยุดคิดไปในเรื่องที่ทำให้เราเกิดความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความอยากหดือแค่คิดไปว่าไปทำอะไรกับสิ่งที่เราอยากไม่ได้เช่นฝนพากาอยากให้หยุดอยากให้ไม่หยุดนี่เราสั่งไม่ได้ อยากไปก็จะทุกไปเปล่าๆนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ได้มาสอนให้พวกเรามาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่สอนให้พวกเรามามองให้เห็นว่าธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ไม่มีใครไปควบคุมบังคับธรรมชาติได้ถ้าใครอยากจะไปควบคุมบังคับก็จะทุกไปเปล่าๆ พวกเราทุกวันนี้ทุกเพราะเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติกันทุกกับเรื่องเงินทองนี่ก็เป็นธรรมชาติเงินทองนี่ก็เป็นธรรมชาติมันมามันไปเราไปสั่งมันได้ที่ไหนเวลามันจะไปสั่งให้มันอยู่ก็ไม่อยู่เวลามันไม่มาสั่งให้มันมามันก็ไม่มานี่ก็คือธรรมชาติเหมือนกันลาบยศตำแหน่งต่างๆก็เหมือนกันอยากให้มันมามันไม่มา อยากให้มันอยู่มันจะไปเนี่ยมันก็ไปของมันคนก็เหมือนกันพี่น้องญาติพี่น้อ ง, องต่างๆเพื่อนสนิทนิจจะหายอยากให้เขาอยู่ถ้าเขาจะไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้อยากให้เขาไปถ้าเขาไม่ไปเราก็ห้ามเขาไม่สั่งเขาไม่ได้ถ้าอยากก็ทุกไปเป่าๆถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกนี่คือการที่เรามา จะเพื่อมาสอนใจหยุดใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆขั้นต้นก็ต้องสร้างเครื่องมือหยุดความอยากหยุดความคิดก่อนก็คือสติการนอนสติให้มากๆเพื่อให้หยุดความคิดให้ได้เมื่อหยุดความคิดได้แล้วก็จะสอนใจให้คิดไปในทางที่ทําให้ไม่เกิดความอยากขึ้นคิดว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติคิดว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากนั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปเนี่ยของทุกอย่างที่เราหามาได้นี่ เดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยงั้นเอาความไม่อยากไปดีกว่าเพราความไม่อยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นนิพพานความไม่อยากก็คือการไม่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตก็บริสุทธิ์จิตก็สะอาด จิตก็เป็นนิพพานจิตเป็นพระอาหารหันต์จิตเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือนิยามของคําว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความโลภโกรธหลงใจที่ปราศจากความอยากต่างๆนี่ใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไปถึงพระนิพพาน ดังนั้นขอให้พวกเราเอาความรู้นี้ไปใช้กันพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติพยายามมองว่าทุกอย่างต้องมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเราไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะทุกข์ไปเปล่าๆแล้วเราก็เอาเขาไปไม่ได้อยู่ดีถึงเวลาเราตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีเัมือนปล่อยเขาดีกว่าเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ให้เขาไป แล้วเราจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยอยู่ภายในใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลากอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะภ า, า, าวาวหาปุลาปาเิตุเรนติสาคาง เอวเมวะอโตตินังเตตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปวะสนิจจโทสัพเพโปริโตสังกปาจันโทปนะรัสรยาธานิโชติรัสยาธาสัพพิโยวิวัจัานุ สัพพะโรโควิน <S ess> ัสสตมาเตภวตวันตาายสุขีทีพายุโกภาอะภีวาธานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทันติอายุวโนสุขังอา ใครมาที่าัม่อยากจะถวายเท้าของก็ถวายได้นะอยากจะได้หนังสือซีดีก็หยิบไปได้ ได้นะ ห, หยุดความคิดหยุดความอยากแล้วกำมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาตาแล้วก็จะไม่อยากได้อะไร ก็มีถามตอบปัญหาอีกค่านอีกตอ น, นใครอยากจะฟังถามตอบปัญหาก็อยู่ฟังได้เดี๋ยวมีคำถามจากท่านที่ติดตามชมทางบ้านตอนนี้มีการถ่ายทอดสดทางทาง u t u b e กับทาง Facebook ใครมีมือถือก็เข้าได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ทางสมัยรวเวง่ายไดย้ รูปพระอาจารย์สุชาติมีถ่ายทอสดสดอันนี้เข้ามากี่กี่ลายละสามร้ อ, อยกเก้าสิบนะ้อยก้าสนะี่ ก็อันนี้เป็นประมาณมาตรฐานกางสีก็คือถึงห้าร้ u t u b e ก็ประมาณสามสิบแล้วสิบเก้าเราวันนี้เข้าถึงเท่าไหร่นะแสนสามเลยนะถ้าใครอยากจะถวายของอะไรก็ถวายได้นะ มาเลยครับเสร็จก็มาเลยครับเอาซไว้ตรงนั้นนะยากวยากเอากระดาษไว้ตรงนี้ยังไม่กลับเหรอเาเสร็จแล้วแต่วน ทำอะไรทำงนี้ค่ะมาหยุดความอยากกั น, น, น, น, น, นใช่ <c ười> ไหมมาหยุดความอยากกันใช่ไหมหยุดควง่ายงอ่า วา ง, งไว้เลยเรีน ห, หนังสือซีดีได้นะ การต้องซื้อซีดีก็หยิ่ได้น ะ, ะ ท, ทานนี่ยังไม่หมดนะยังเหลือีตงชัวง่วโมงหลยลเขา อ, อ่ขึน้นเรืออ่อยเขางวน้ไม่เวลารักแรกก็อย่างนี้ฟังในยูทูบแต่จะบุกร้ายตลอดอ่าคอนี้่แขงงาที่มา มีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะสงสัยอะไรไม่เข้าใจพอธรรมะมันมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนหลายแง่หลายมุมวันนี้อาจจะพูดมุมหนึ่งแต่ยังไม่ได้พูดในอีกหลายแง่หลายมุมถ้ายังสงสัยอยู่ในแง่ใดมุมใดก็ถามได้ พเขาไม่ไม่ได้ใส่ยาวมาไงที่ร้านใหม่ขายดีไหมได้ๆใช่ยังไม่เก่งลูกสาวยังไม่เก่งไปไหนไม่ได้เราช่วยประกับประกองอะไรไปประกอบน่ะเดี๋ยวทั้งโอเคดีเไเดี๋ยวเขาก็รู้จักกันเขาป่าต่อป่าลูกชายตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกชาย จากขอทุกข์จากธรรมดาเป็นประวัาวเมื่อไหร่จะปวดต้อ้แล้วกิน่นั่นึงให้เขาอยากจะบวดเองดีกว่าเมื่อวาีแ้เขาบวดเองทาไปบางครั้งก็แล้วมันเขาจะไม่แฮปปี้เขาบกเขาบวชที่นาเจ็บแล้วไม่เอาให้ัใจเอาเองนั้นดีกว่าบวชก็อสักปันศาจึงไม่บอกเานมาทากลงั อยู่อเมริกาเขาเป็นธนายกลางของนิยอร์กนายใหญ่เลยเออเด็กก็คืเด็กแฟนมาแล้วก็ทำหน้กลาวได้ไดอดให้ดูว่าเป็นต่อเป็นาษาังกะไ็ชอบมากเดือนเนาะเจ้าเดือนเลยค่ะก็ได้นองสือภาษาอังกฤษไปได้ยังมีของเรามีของเรามีไม ของงเราที่เราเขียนอ่าเดี๋ยวจะมีนะต้องการเกียรติชดมีเพื่อนเพื่อนก็มีอยากได้ไหมเพื่อน ไปชุดหนึ่งไหมไปชุดหนึ่งนะอืมดีใจเจะที่ในะแบบให้เขาอ่ า, ออ า, า, า้ก็จนอ่ได้ได้ไปเีห่อเอาเลยตามสบายปทําน้งานเท่าไหร่เอาไปเลยอจรเจ้าขาขอภาษาอังกฤษไปให้คุณนาอ่านได้มั้ยเจ้าขาได้ แล้วก็อยากจะได้ได้ฟังธรรมะของราาพระ อ, อ, อาจารย์นิเคสพระอาจารย์แนะนาว่าให้พรรษาสิบแปดจะดีป ว, ว่าสิบห้าข้าน้อยสนใจมากเพราะว่าคิดบ้างแต่เองก็พอจะทำได้แต่ว่ามีสงสัยอีกเร่นึงว่าเรื่องที่ว่าสามมีจริงหรืมจริใช่ไหมคะทางโลกไม่มีแต่ว่าอย่างเช่นข้าน้อยไปต่นัหวัดก็เรื่้งเช่นนี้เขาก็จะมากออไป แล้วก็หอมแก้มน่ข้าน้อยก็รีบปวงนเยอะที่ข้าน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถือแบบถือแบบล้มหลวมไปกนแล้วกันแต่เขายิบหย่บถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ร่วมหลับนอนกันก็ไม่เป็นปัญหาไม่จับต่งงานไปไม่มีทางน้เลยคือที่เขาัวคือพอไปแตะต้องกันแล้วเลือยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าถ้าเราหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามี่เมียเาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกที่ห้าวนี่ไม่ให้ไม่ให้น่วมหลับนอนกันไม่ค่ะ เพราะว่าเขาหมดแล้วควม่เขปอะไรเงีกอดแบบเมตตาได้อยู่แผ่เมตตาเมียของเาใช่ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ต้องคอยควบคุมอารมณ์ไว้ให้ได้ก็แล้วกันอหมดแล้วดแล้วก็ดีทนยเองก็ไม่มีเหมือนกันก็เข้าไปทำก็ได้ม่ก็ดูไปกอนมีจะได้รู้ว่ายังไม่หมดยมยังก็จิตใจอยู่ตรงนี้ก็ได้ท่ก็เอาแบบโยมดูไปก่อน ก็ณีก็ไม่ปฏิบัติเลยนะไม่ถือว่าขาดเ่ยเพียงแต่ว่าอาจจะมีรอยฉีดนิดหน่อยอนิดหน่อยได้ ย, ยังยังฉีดไม่ผ่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมถามว่ามามีบ้างที่ขาดงานขายลูกเรือเก้าสเอาเขียนแม่เอามาเกิดความสุขอะไร อยากให้แบบเขาแบบทำสออ๋อไม่หรอก็เป็นธรรมชาติของเขาไงเราไปมองว่าเรามองว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยคนบางคนเขาก็สะสมนิสัยแบบนี้มาเขาเป็นคนที่ต้องเถียงต้องสู้คนทุกคนก็ปล่อยเข้าไปสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เราอยากไปอยากอยากแล้วเราก็ทุกข์ไปต่อไปก็สอนไปต่อไปเขาก็เขา้เขาใจอย่างเง้ย แต่บางทีก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าผิดถูกดีชั่วเป็นยังไงแต่ถ้าเราคอยสอนคอยบอกเขาเดี๋ยวเขาเห็นคุณเห็นโทษเขาก็เปลียนได้นะ<ม>ต้องใจเย็นๆคนเราทุกคนไม่เหมือนกันคนบางคนก็ว่านอนสอนง่ายบางคนก็มีสัมมาคารวะบางคนก็ก้าวร้าวมันเป็นวิบากเป็นบุญกรรมที่เขาทํามาในอดีตจนฝังเป็นนิสัยมานิสก้าวล้วนี่ก็เป็นนิสัย สัมมาคารวะนี่ก็เป็นนิสัยแล้วแต่ในอดีตเขาเคยถูกปลุกหักให้มาทําอย่างไรอ mm. ั้นก็ mm. ก็เห็นว่าอันไหนไม่ดีก็พยายามสอนเขาให้อสอนไปถ้าเขาทำตามได้ก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาทำไม่ได้ก็เป็นตามของเขาไปเราทําหน้าที่ของเราได้เท่า น, นี้แหละแต่เราอยากไปทุกข์ทำไมไม่เกิดไปรยชน์อะไร mm. อ่า ก็ดูสิก็คนปฏิบัติก็ต้องดูไงเหมือนกินกินขนมเช่นนี้นี่กินขนมเช่นนี้นี่อิ่มเท่ากันหรือเปล่ามาถามคนไม่กินได้ไง ยังไงให้มันหยุดความอยากให้ได้หยุดความทุกข์ให้ได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นน่ ะ, ะจะเอาวิธีไหนก็ได้นคนแต่ละคนี่เวลาเขาเขาหยุดนี่เขามองไม่เห็นมองสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันบางคนไปดูศพหญิงนอนตายอยู่นี่ก็หยุดความอยากได้บางคนก็เห็นอ ะ, อะไรเห็นดอกไม้เขี่ยวออย่างนี้เขาก็หยุดความอยากได้ มันมันเป้าหมายอยู่ที่ว่าเราหยุดความอยากหยุดความทุกข์ในใจเราได้หรือเปล่าจะใช้แบบไหนใช้จะใช้อุบายวิธีไหนก็ได้ดังนั้น mm hmm. ถึงถึงไม่กล้าพูดเป็นสูตรตายตัวไง mm hmm. แต่ตามที่พระเจ้าทรงสแสดงสูตรตายตัวก็คือศีลสมาธิปัญญา mm hmm. มันเป็นธรรมที่สนับสนุนกันต mm hmm. ้าไปแบบนี้ได้มันก็จะง่ายขึ้นตามขั้นบันไดมันง่าย กว่าที่จะก้าวข้ามไ ป, ไปวเวลาก้าวจากขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สองมันง่ายกว่าจากหนึ่งขึ้นไปขั้นที่สามแต่ถ้าบางคนมีขายาวจะก้าวขึ้นไปขั้นที่สามเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรสำหรับเรจะยากแต่สาหรับคนอื่นก็อาจจะไม่ยากก็นะอ่า อ่าได้เพราะคนเราแต่ละคนก็สะสมบุญบมาเรามีความรู้ความเห็นปัญญาอะไรต่างๆมาไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นเห็นเร็วเห็นเข้าใจเร็วบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไม่เข้าใจต่างตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกในฟังห้าคนฟังเข้าใจคนเดียวะ น, ย น, นะอัญญาณโกนทันเอ้าเข้าใจว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา อีกสี่คนยังยังไม่ถึงยังต้องไปคิดอีกพักหนึ่งต่อคิดอีกสักพักหนึ่งถึงเข้าใจคือถ้าใช้ปัญญามันก็จะหยุดความอยากได้อย่างสาวนถ้าใช้สติมันก็หยุดได้ ทีถ้าใช้ปัญญาแล้วมันหยุดไม่ได้ก็มันก็ก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าถ้าเป็นมีดก็มีดไม่คมก็ต้องไปรับมีดก่อนตัวที่จะรับมีดก็คือสมาธินี่พระเจ้าบอกว่าปัญญาที่ได้รับการรับด้วยสมาธิแล้วจะมีประโยชน์มากเห็นปัญญาที่ได้ได้การอบรมรับการอบรมด้วยสมาธิอบรมด้วยสมาธิก็คือเหมือนกับเอามีดไปรับนี่ย เอาปัญญาไปรับกับสมาธิให้ใจสงบแล้วพิจารณาทางปัญญาจะเห็นชัดกว่าใจที่ไม่สงบ ลองคิดบ่อยๆสิคิดบ่อยๆมันอาจจะหมดก็ได้มั้งเหมือนเหมือนมีดเหมือนมีดที่ฟันหนเดียวมันขาดไปนิดหนึ่งยังไม่ขาดเหมือนก็ฟันไปเรื่อยๆเลยก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็ได้พิจารณามันปล่อยอมันปล่อยได้ครับกอมีดมันไม่คมก็เลยต้องฟันหลายหลายรอบหน่อยแต่ถ้ามีดคมก็ฟันหนเดียวมันก็ขาดถ้าเราอยากจะใช้มีดโดยที่ไม่ไปรับมันเราก็ต้องฟันไปเรื่ยๆเ้มใจไก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาถ้ามันขาดถ้ามันยังไม่ขาดก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆก็เหมือนได้รับมีดบ้างไงมีดที่ได้รับกับไม่มีที่ไม่ได้รับมันก็มีความมีประโยชน์ต่างกันมีผลต่างกัน ถ, ถ้าตัดตันหาความอยากได้ก็ใช่ได้ต้องต้องรู้ที่ความอยากนี้ให้มันหมดไปเลยไม่ให้มันทุกข์ไม่กังวลไม่ให้อยากกับเรื่องอะไรต่างๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ก็กแน้่หละก็ต้องให้มันถึงเลย ที่ให้ทำก็ไมให้มันถึงขั้นนั้นแต่ยังไม่ถึงก็ต้องทำไปเรื่อยๆอ่าอ่าก็ทำไปสิอ่ทำไปทให้มันมากขึ้นให้มันลงลึ ก, ลกมากขึ้นอให้มันเบามากขึ้นจนกระทั่งไม่มีอะไรหนักอกหนักใจเลย การทำสมาธิตรงฐานช่วยแก้ทําได้หรือว่าจะพาเรื่องโรคได้โรคบางอย่างที่เกิดจากความเครียดจังใจนี่ก็แก้ได้พราะที่เราเครียดแล้วก็ทําให้เกิดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาไปหาหมอหมอก็ดูก็ร่างกายก็เป็นปกติเองไหนมีมีปัญหาตรงไหนก็เป็นโรคเครียดถ้าเราไปนั่งสมาธิจําใจสงบหายเครียดมันก็หายได้อย่างยกตัวอย่าง เคยมีคนเล่าให้ฟังมีพระอยู่รูปหนึ่งมาบวชเนี่ยแล้วก็ปวดท้องปวดตรงนน้นปวดตรงนี้ไปหาหมอเรื่อยๆหมอหาหมอทีไยหมอบอกไม่เห็นเป็นอะไรนี่แล้วมาวันหนึ่งพระองค์นั้นก็สึกไปแล้วก็กลับไปเล่าให้หมอฟังว่าตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรหายหมดเลยเพราะตอนที่เป็นพระมันเครียดอยากแล้วมันทำไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้อยากจะทาอะไรก็ไม่ได้ พอสึกไปได้ทาตามความอยากก็เลยหายเครียดพอหายเครียดมันก็เลยหายเจ็บเคยเคยานประวัติมัแล้วก็าาก อ, อาจารย์อกไปด้ยคท่าน่วยไม่สบายาท่านจะหาหมอาน้นัได้โรคบางอย่างนี้ไม่ต้องใช้ยาก็ได้ไแต่โรคบางอย่างนี้ต้องใช้ยาโรคไข้ป่าพวกนี้ไม่ต้องใช้ยาวนั่งสมาธิทำตัวให้มันสงบทาตัวให้ร่างกายมันร้อนเนี่ยมันจะมีภูมิ ค่าเชื่อโรคได้มากขึ้นตอนนอนเวลานอนนี่ร่างกายมันเย็นแต่เวลานั่งนี่ร่างกายมันจะร้อนร้อนยั้กระทั่งเหงื่อแตกพักเลยคนที่เป็นไข้นี่พอเหงื่อแตกพักนี่หายหายจากเป็นไข้ได้เวนั่งเป็นนาทนั่งเปนนาทีาาประมาณชั่วโมงเกิดเดาแล้วตเราต้องสู้ต่อไปเลถ้านั่งเป็นหลายชั่วโมงอะถ้านั่งยังกระทั่งเด็ดชาหายไปจิตสงบความเจ็บต่างๆของร่างกายหายไปหมด บางโรคก็รักษาไม่ได้เงี้นท่านก็ไม่ตายกันสิเห็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ตายกันถ้ารักษาได้ทุกโรคเลยอางทีถือนท่านท่านก็ไม่ใช้ยาชาเวลาก็ท่านเดดม่ใจท่านแข็งเลยใจท่านแข็งท่านไม่ทุกกั้าเฝึกมานานแต่ตัดกรรมไม่ได้กรรมเก่าที่ทำมาก็ไม่หยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไม่เอา ใช่พมโอกลานี่พมโอกลานะยังต้องถูกเข้าค่าตายเลยใช่แต่เป็นการลดกรรมได้คือไม่เพิ่มกรรมใหม่ไงอย่าไปทํากรรมใหม่มันก็มันก็จะกรรมเก่าพอมันลดไปลดไปมันก็ลดหมดไปเองแต่ถ้าเราไปทํากรรมใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีวันลดอยู่นัมันก็มีจตกจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องหยุดกรรมอย่าทํากรรมใหม่ส่วนกรรมเก่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดไป มันนี่อเราค่อยๆใช้ไปทีแล้วร้อยสองร้อยเดี๋ยวมันก็หมด <c oughs> อยายาไปกู้นี่ใหม่การใช้นี่ให้เจ้ากรรมในเรือก็คือการทำบุญแล้วเบิดบุญให้เจ้ากรรมในเรืออ๋อไม่ไม่คือใช้นี่ก็เวขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าไป <c oughs> เราอยากจะมาทุบตีเราก็ปล่อยให้เขาทุบตีไป ตอนเขาได้ทุบตีเราแล้วเขาสบายใจเขาก็เลิกมาทุบเออเออหรือถ้าเขาอยากได้มาจากเราเราให้เขาไปพอเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้เขาทำไมามายุ่งกับเราเนยแล้วอย่างเช่นที่ท่าน้อยทําไม่รู้ว่าจะทําถูกไหมบ่อยครั้งที่ข้าน้อยทําบุญแล้วท่าน้อยก็ขอบันนีพ้พระเจ้าแล้วก็เบิด บ, บ, บุนให้เจ้ากรมในเวนตั้งอดีตชาติและปัจจุบันท้องไม่ได้หรอเ <ขอ S 1> <อ>บิดไม่ท้องไม่ได้ไม่ได้หรอท้องใครท้องมื่ น, นั่นเป็นความแผม่เมตตาเ oh, <okay. S 1> องความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขกัน uh, อราทำแบบนั้นเาไปหรอเปล่าแต่เขาจะสุขไม่สุขก็อยู่ที่ตัวเขาตัวเขาแผ่เมตตาได้หรือเปล่าการแผ่เมตตานี้ทำให้เรามีความสุขคนแผ่มีความสุขคนรับก็มีความสุขแต่ถ้าก็ไม่รับเขาก็ไม่มีความสุข okay. เวลาแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เราพบปากกับเขาเวลาพบกันเราก็เอาของมาแบ่งกันอย่างนี้หรือเอาขนมนมเนยมาแจกกันอย่างนี้คนได้รับก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขเรียกว่าแผ่เมตตาแต่เวลาเรานั่งนั่งคนเดียวแล้วเราแล้วคิดไปในใจว่าขอให้เขามีความสุขนี้ยังไม่ได้แผนนะ่มาได้ไหมเป็นการคิดเฉยๆเป็นการคิดสอนใจ เราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอเขาแล้วเราก็ให้ความสุขกับเขาให้ข้าวของเขาเลยหรือพูดดีๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขามีความสุขขึ้นมาต้องทําตอนที่พบกันไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวก็วย้ายก็มีความสุขพอ เ, เจอหน้าเขาก็ด่าเขาเลย <c oughs> <c oughs> อยไม่ได้ ก็แน่นอนถ้าเขาปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเสียนิสัยได้แล้วอยากได้อะไร็ิอไปอเลยก็แต่ว่าบางที่อยากาาายได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีอำนาจที่จะสอนเขาได้หรือเปล่าถ้าสอนแล้งก็ไม่ได้ก็อยากไปสอนเดยวเขาก็ต้องถูกคนอื่นสอนจนได้ทั้งวันหนึ่ง เดี๋ยไปทําผิดกฎหมายเขาเดี๋ยวําหนูก็มาสอนเขาเองก็อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่สอนเขาหรือเปล่าเขาฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาฟังเราเราก็สอนเขาได้เพราะว่ายังทําอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทําเขาทําแล้วเกิดโทษแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาได้ฟังแล้วเขาอาจจะ เปล่ยนนิสัยก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนเขาได้พอไม่พอไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังเราสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ก็ไม่ต้องสอนก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมไปอเอาทางบ้านไหมทางบ้านอยากอยากมีคําถามไหมยังอานเข้ามาเลย ใครจะอยู่ฟังก็ได้นะใครจะกลับก็ได้นะแมอันนี้ก็ทำหน้าที่ให้กับคนทางบ้านคนที่อยู่ที่นี่อยากจะอยู่ก็ได้อยากจะไปก็ได้เอนนะ อ, อเอาสองไว้ตรงนั้นเลยอเอากระดาษไว้ตรงนี้ ที่อเมริกาก็ติดตามในเฟซไดนะ้มีถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ <Okay. S 1> เอามาภาษาอังกฤษเพูดได้ไหมเลยให้คนที่เขาพูดได้อ่านอ่านอ่านร้อ e อ่า น, านดูน or ่ทั a And who is it that we pay to? Is it h e higher power or Siva? And I'm praying. Are we trying to change the m a I appreciate your time in h e l p to clear up this s e s s i o n ลองลองถามคำถามันแรกก่อนถามว่าไนะช้าๆ Who or what is it that we pay to? h a t e p y to. ไมอะไร What? What is it? That place? That place? That place? Place? สกุยังไงส่วนมลใครใครใครใครสนหอาคือคนที่เราคนสเราสวถึงใครเาถามถึงตรงนี้เราสใครม้ใช่ If you don't pray to nobody, yeah. our chanting is a way of. Uh, It's a form of meditation to stop the mind from thinking, to to con cent concentrate the mind, to make the mind absorb in one one thing. When the mind becomes absorbed in one thing, it becomes peaceful and calm and happy. Yeah. This is what we we do. We we don't pray to God or to anybody. Yeah. We We chant or we meditate to keep the mind peaceful and calm and happy. Now, q u s t i o n 2, how a b o t In praying, are we trying to trying to change karma? Change a r m a karma, karma. Yes, when we when we meditate, we can stop karma. See, when we meditate, the mind become peaceful and calm. We become content and happy, so we don't need to go to do anything to make us happy. Normally, if we are not happy or content, then we will have to go do something to make us happy. And sometimes we do the wrong thing, we do the bad thing, and bad thing become bad karma. But if we do good thing, then it will become good karma. But if we are happy and content, then we don't have to do anything good or bad karma. And when we don't do any karma, then we don't have to pay the uh, accept or face the re the result of the karma that we do. I hope you understand. If if you don't, you can send in more questions. Stop by a n y w h uh, e มูวีละคอนถ้าเราพบเห็นข้อบกพร่องของเพื่อนซึ่งเขามีอายุและประสบชีวิตประสบการชีวิตมากกว่าแต่บางครั้งสิ่งที่เขาพูดหรือทำก็ทำให้เราพบข้อผิดพลาดแต่การที่จะบอกให้เขารู้ตัวมันก็อาจจะทำให้เขาเกียดเราได้เพราะประเมินดูแล้วเขามีพิสผิมานะสูงพอสมควรค่ะกรณีนี้เราควรเบกขาใช่ไหมคะถือสว่าวาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบ ด, ด้วยประโยชน์แต่ไม่ ไม่เป็นที่รักที่ภึงใจของผู้อื่นก็ไม่พูดอีกอย่างเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเขาก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะชี้ถูกผิดแก่เขาคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเนี่ยคิดต้องต้องคิดแบบนี้คำถามจากคุณธนวัฒนาทำไมศาสนาพุทธเครื่องฟูในไทยและทำไมในไทยมีพระอริยบุคคลเยอะคะ ก็เพราะว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแผ่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีพระอาหารหันต์มาจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยก็มีการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีผู้ที่ฟังมีศรัทธาน้อมนํเอาไปปฏิบัติไปบวชกัน แล้วก็บรรลุกันพอบรรลุแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไปจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้คาถามจากผู้ปักถามถ้าผู้หญิงไปมีสัมพันธ์ทางกายกับสามีผู้อื่นซึ่งตัวเองก็ทราบว่าสามีภรรยาแล้วและทำให้ภรรยาเขทุกข์มาก ผู้หญิงคนนี้จึงคิดว่าจะเลิกเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แต่รู้ว่าตนจะเลิกผู้ชายคนนี้จะทุกข์มากเช่นกันเพราะผู้ชายไม่อยากเลิกกับตนผู้หญิงคนนี้ควรทาอย่างไรคะถ้าเลิกได้ก็ดีเพราะไม่เลิกก็เป็นการกระทําบาปผิดศีลข้อสามบัพพุทผิดโตเวนี้ก็จะยอมทุกจากการแยกกันดีกว่าต้องทุกอยู่กับร่วมกัน เพราะวาจะทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์แล้วเขาอาจจะมาทําให้เราทุกข์ได้งั้นก็แยกกันดีกว่ารักษาศสียข้อสามดีได้จะดีกว่าคํถาถามจากคุณแกล์หลังจากนั่นสมาธินอนไม่หลับเลยครับเึื่อจะมาเป็นช่วงหนึ่งเดือนนี้น่าจะพร้อมมีสติหรือเปล่าทําให้ส่งผลกาะทดสอบกิจกรรมต่างๆในวันรุ่งขึ้นอย่างมากครับขอพระอาจารย์แนะนำะครับ อันนี้นั่งไม่สงบเลยนอนไม่หลับอนอนไม่หลับก็คิดมากไงตรงที่<ม>ก็เวลานอนก็ให้พุดโธพุดโธไปเดี๋ยวก็จะหลับต้องถามจากคุณนะักนะักพีกะวยกะวายกะะับพระอาเศสพระต่งกันอย่างไรครับกะวยกะวายกับพระอาเศสพร ะ, พะ เสค้กัเสค้นี่เสค้าก็คือพระที่ยังต้องศึกษาอาเสคะก็คือพระที่เรียนจบแล้วพระที่บรรลุธรรมแล้วอเสคะยังการที่เราไปกวลกวาย ก, กับพร ะ, พระอสเสคะเป็นยังไงก็ไม่รู้คนณไปกวนกวายเขาทําไมเชิญเชิญ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวพักเดยวอ่าใช่เดี๋ย ว, ยวคุณพ่อจะถวายของเลย่งแล้วอย่านั่งฟั ง, งนั่งฟังก่อนนะก็ะมีสนทนาธรรมอยู่ตอนนี้อ่าจะนั่งฟังก็ได้เลยอยากจะถวายของแล้วก็ ได้ยินถวายของก่อนก็แล้เอามาอันนี้เป็นเช็คแล้วเป็นปัจจัยเป็นเช็คก็ได้ไม่เป็นไรเออขอให้สุขภาพดีขึ้นนะอาการต่างดีขึ้นอา ขอให้มีมามาอยู่ตรงแนวก่อนอ่จะได้รวมญาติกันอ่าก็อ่ขอขอให้มีอายุยืนยาวนานนะได้ได้ ถามตอบไปเนาะคำถามจากคุณวรพัฒผมอยากทราบว่าการฆ่ากิเลสหมายถึงการรู้เท่าการกิเลสหรือปล่อยวางหรือเปล่าครับคือการหยุดไม่ทําตามไม่ทําตามความโลภไม่ทําตามความโกรธเช่ชนเวลาโกรธก็ให้หยุดความโกรธไม่โกรธเช่ในใครเขาทำให้เราโกรธเราก็หาวิธีหยุดความโกรธนะั้นก็มีหลายวิธี ใช้สติหยุดก็ได้ใช้ปัญญาหยุดก็ได้แล้วแต่เราจะรู้จักวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นไปก่อนแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือปัญญา<อ>เพราะถ้าเราใช้ปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่มีความโกรธอีกต่อไปอปัญญาก็จะไปค้นหาเหตุของความโกรธกร็จะไปพบว่าเป็นความอยาก อ, อยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะไม่โกรธ ถ้าเราอยากจะทําลายความโกรธให้หมดไปอย่างท้าววรเราก็ต้องทําลายความอยากอยากไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปอยากให้เขาทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทําถ้าเรามีความอยากเราก็จะโกรธเขาถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทําอะไรเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ให้ใช้สติไปก่อนเวลาโกรธก็ให้เราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไป ข้างพุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้เราไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่เขาทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปแต่พอเราไปคิดถึงเขาเมื่อไหร่ก็จะโกรธขึ้นมาเมื่อนั้นจนกว่าแรงโกรธมันหมดไปอแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วพอให้เราไปคิดถึงเขากี่ครั้งเราก็จะไม่โกรธ ท่านแรกต้องทำอย่างไรบ้างครับแจะควรนั่งบ่อยแค่ไหนการจะนั่งนานไม่นานนี้ก็อยู่ที่สติถ้ามีสตินี้จะนั่งได้นานก็ใจจะสงบเร็วเมื่อสงบแล้วก็จะไม่รู้สึก เ, เจ็บทางร่างกายจะไม่มีความอยากที่จะลุกไปทําอะไรก็เลยทําให้แง่นั่งได้นานดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อนนะครับ วิธีสร้างสติก็คือต้องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราทําอะไรก็ให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วพอเวลามานั่งใจก็จะไม่ไปไหนหรือว่าถ้าเราไม่ใช้พุโทโธก็ให้เฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งก็ให้รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาก็ให้รู้กำลังทําอะไรอย่างนั้นให้รู้ทุกขณะทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อใจจะได้ไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการมีสติก็เพื่อหยุดความคิดเพราะถ้าเราหยุดความคิดได้เวลานั่งเฉยๆใจก็จะสงบจะนั่งได้นาน จะไม่รู้สึกเกิดอัดที่เราอึดอัดกันเพราะว่าใจเราคิดพอคิดแล้วก็อยากอยากไปทําำนู่ทนทํานี่พอไม่ได้ไม่ได้ไปทําก็รู้สึกเกิดอัดเราก็จะทนนั่งไม่ไหวดันั้นเราต้องมาขัดความขัดหยุดความคิดให้ได้เครื่องมือที่จะหยุดความคิดก็คือสติเราใช้พุโทโธไปเรือคอยเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างต่อเนื่อง พยายามทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติจะมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับแล้วเวลานั่งก็จะสงบคำถามจากคุณอภิชาติท้าส่งเวลาไปในงานต่างๆมีการนั่งตามลําดับเอาวิโสหรือตา ม, มาสมณศักดิ์ครับงานปกติกับงานราชาพิธีถ้างานราชาพิธีเขา ก, ก็นั่งตามพันยศเนี่ยตามส ม, มณศักดิ์ไม่ได้ ได้ได้ตามลำดับพรรษาถ้าไปงานไม่ใช่เป็นพระราชพิธีก็นั่งตามลำดับพรรษาใครบวชก่อนก็นั่งข้างหน้าใครบวชหลังก็นั่งข้างหลังนั่งคำถังจากคุณุ้งโยมนั่งสมาธิสามารถจุดทิดส่วนบุญกุศลให้โยมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วโยมแม่ก็ได้รับไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรานั่งแล้วเราได้สมาธิหรือเปล่าเราได้ผลหรือเปล่า ข้านั่งไม่ได้ผลก็อุทิศไม่ได้เหมือนกับเราไปจับปลามาแล้วจับไม่ได้ทักตัวหนึ่งแล้วเราจะเอาปลาไปแบ่งให้เขาได้ยังไง<ม>เอาไปสู้สู้ไปซื้อปลาที่ตลาดดีกว่าชัวกว่าอ<ม>ทําบุญนี่ชัวกว่าเอาเงินไปถวายซื้อข้าวของถวายพระนี้บุญได้แน่อะแต่จะมาอุทิตบุญที่ได้จากการรักษาศีลเนืนั่งสมาธินี่เรารักษาศีลได้บริ้างหรือเปล่า<ม>แล้วเรานั่งสมาธิจิตเราสงบหรือเปล่า ถ้ามันถ้ามันไม่ได้ผลก็เหมือนกับไปจับปลาแล้วไม่ได้ปลามาสักตัวแล้วจะเอาปลาไปให้คนอื่นเขาได้ยังไงถ้าอยากจะให้ปลาเขาก็เอาเงินไปซื้อในตลาดดีวกว่าได้แน่ๆอถ้าอยากจะทําบุญอุทิศที่เนะีที่ง่ายที่สุดที่ได้แน่ๆก็คือเนี่ยใส่บาตไปถวายสังฆทานไปเอาเงินไปบริจากให้กับคนพิการให้คนแก่คนชราก็ได้แล้วก็อุทิศบุญไม้ได้เลย สี่วันถ้าหลงรักคนด้วยลูกก็พิจารณาอสุภะถ้าหลงรักคนที่มีความเมตตากรุณาจะพิจารณาอย่างไรให้ความรักจากเราครที่เรามีต่อเขาเปลี่ยนเป็นภูมิหารสี่ครับการพิจารณาว่าเขาก็ไม่เที่ยงไงเขาก็เกิดแก่เจ็บตายในที่สุดเขาก็ต้องตายไปพิจารณาว่าอนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ถามจากคุสันชะนีเวลานั่งสมาธิแล้วจะได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนมากๆให้เข้าใจว่าทําถูกต้องหรือไม่ครับก็เวลานั่งก็อย่าไปสนใจว่าถ้าเราได้ยินอะไรจะเป็นเสียงภายนอกเสียงภายในให้เราจดจ่ออยู่กับอ า, อารมณ์ที่เราใช้ใ น, ในการนั่งถ้าเราดูลมหายใจก็ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเสียงหรือภาพอะไรต่างๆที่อาจจะมาปรากฏให้เรารับรู้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยๆหรืออยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตสงบทุกอย่างก็จะหายไปเองต้องถามจากคุณออยราคะที่เกิดนั้นเห็นเกิดที่สังขารและบางครั้งย้ายสถานที่เกิดตามอวัยวะร่างกาย เมื่อมองดูใจในบางครั้งยังไม่มีการลงมาปุงแต่งรวมร่วมกับสังขารที่กําลังเกิดรัคะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่รู้ว่าใจและสังขารไปมุ่งปุงแต่งเมื่อไหรขอโอกาสถามว่าทําอย่างไรจึงจะเข้าเข้าทันสภาวะเกิดดับของสภาวะที่เห็นนี้คะก็ต้องมีสติถ้ามีสติเราก็จะเห็นพอจิตเริ่มปรงแต่งเราก็จะเห็นพอจิตเริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะเห็น แล้วเราก็สามารถหยุดมันได้หยุดด้วยสติก็ได้และหยุดด้วยอสุภะก็ได้หยุดด้วยปัญญาก็ได้คำถามจากคุณลิซาเรามีจุดมุ่งหมายว่าไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกแต่การดําเนินชีวิตทุกวันนี้ไม่ซัพพอร์ต จ, จุดมุ่งหมายเลยยังต้องตื่นแต่เช้าเตรียมของขายเพื่อให้ได้เงินเลี้ยงชีวิตกําลังคิดว่าเราถูกกิเลสลอยกวาดมือเรียกให้เราไม่เดินตามจุดมุ่งหมาย คำถามข้อที่หนึ่งผลทางเดียวของการไม่เกิดอีกคือทานศีลภาวนาและต้องไปปลีกดิเรศหรือไปปฏิบัติตัวเป็นนักบวชใช่ไหมครับก็เป็นทางที่สะดวกและง่ายที่สุดทางเง่นก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เพียงแต่เราต้องหยุดความอยากให้ได้ท่นั้นเองข้อที่สอง ถ้เราละทิ้งุกสิ่งแล้วติดวิเวกไปปฏิบัติธรรมเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมคะเพราะบางคนว่าเราเกิดมายังไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเลยจะมีไปทําประโยชน์แต่ตัวเองเอาแต่ตัวเองหลุดพ้นก็อยู่เราเคยทําประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าก็เห็นแต่ทําประโยชน์ให้กับตัวเองตลอดเวลาทําหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เงินมาก็ไปเที่ยวกันก็ม เ, เห็นเราไปทําประโยชน์ให้กับใครพอจะไปบวชปั๊บมาคิดว่าเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันที ความริงการไปบวชนี่แหละเป็นการที่จะทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็สละความสุขจากการเป็นราชกุมารแล้วไปอยู่ในป่าไปอดอยู่แบบอดอยากขาดแคลนเพื่อสร้างธรรมะขึ้นมาพอได้มรรลุ ธ, ธรรได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ให้ได้รับประโยชน์ให้ได้หลุหดพ้นจากความทุกข์เป็นจํานวนอย่างมากมายวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงแต่ก่อนที่จะทําทประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ต้องทําประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนเหมือนกับเราไม่สบายเราก็ต้องรักษาตัวเราให้หายก่อนเมื่อเรู้จักวิธีรักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วเราก็เอาวิธีนี้ไปสอนคนอื่นไปช่วยคนอื่นต่อไป ถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาตัวเราเราจะไปรักษาคนอื่นได้อย่างไรงั้นการที่ไปบวชนี้เป็นเป็นการกระทำที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์แก่โลกมากที่สุดมีใครทำประโยชน์ได้เท่ากับพระพุทธเจ้าบ้างถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้ในโลกปัจจุบันนี้จะไม่มีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แม้แต่คนเดียวแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี้ มีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพาาระอรหันตะสาวกเป็นจำนวนเป็นแสนเป็นแสนเป็นล้านถ้าเรามีการเก็บสถิติก็มันต้อง 2,500 กว่าปีาแล้วดางนั้นสรุปก็คือไม่เห็นแก่ตัวคมถามจากคุณชานนการที่เราร่วมลงทุนหุ้น ในบริษัทที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อนำมาประกอบอาหารถือว่าเรามีส่วนส่งเสริมในการกระทำผิดตามหลักมักมีองค์แปดและจะต้องรับกรรมเหล่านั้นด้วยไหมครับก็มีส่วนเนี่ยถ้าเราได้เราได้รับประโยชน์จากบริษัทค <Yeah. S 1> ำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนข้อที่หนึ่งลูกมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมปกติปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่แล้วและ นอกสถานที่จะไปเดือนละหนึ่งครั้งเช่นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดต่างๆแต่การที่เรามาปฏิบัติธรรมบ่อยๆคือนอกสถานที่ทําให้แม่ไม่เข้าใจก็ทําไมปกติที่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรอจนแม่บ่นว่าถ้าอยากไปบ่อยก็ออกบ้านไปเลยและแม่ไม่เคยเชื่อใจเราว่าเรามาปฏิบัติจริงต้องคอยโทรเช็คตลอดลูกควรทําเช่นไรและควรวางใจอย่างไรก <c oughs> ็คะก็ควรปล่อยวางคุณแม่ไปคุณแม่จะคิดอะไรก็ปล่อย เธคิดไปกันแล้วกันตามใจที่เราไม่ได้ไปทุบตีท่านไม่ได้ไปด่าท่านไม่ได้ไปทําอะไรให้ท่านเสียหายก็เราก็ไม่น่าจะมีมีมีบาปอะไรกับท่านที่ท่านไม่เชื่อเราหรือท่านท่านไม่พอใจเรามันก็เป็นเรื่องกิเลสของท่านเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าเรา เราบอยสุดใจเราไปทําความดีเราไม่ได้ไปโกโหกหลอกลวงแม่ว่าเราไปทําอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคำถามจากคุณธรรมชาติอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมการภาวนาถึงได้อ น, นิสงส์งมากกว่าการทําทานครับเพราะเพื่อนต่างศาสนาหลายคนเห็นว่าบริจาคหรือทําทานให้ผู้ยากไร้จะมีประโยชน์มากกว่า ก็ความสุขมันต่างกันไงความสุขที่ได้จากการทําทานนี้ไม่จะให้เขาไปพูดเอาเองความสุขที่ได้จากการทําทานนี่มันสู้ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลไม่ได้ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็สู้ความสุขที่ได้จากการภาวนาไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบความสุขที่ได้จากทานก็เป็นเงินเงินแบงก์ยี่สิบนี้ยถ้ารักษาศีลก็เป็นแบงก์ร้อยแบงห้าสิบนี้ ถ้าภาวนาก็เป็นเหมือนแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันตาสุบมันได้มากน้อยต่างกันนะแไป๊บปเอาเองนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงคำถามจากคุณก้องเคยฟังพระอาจารย์เทศว่าการปฏิบัติอาจจะไม่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวสามารถใช้ใช้การดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจแทนได้ ผมทดลองดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจโดยเฉพาะตอนที่มันทุกมันเครียดจากงานจากคนรอบข้างส่วนมากก็จะพบว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความอยากไม่อันใดก็อันหนึ่งถ้าเราเห็นความอยากและยอมรับผลที่เกิดขึ้นมันจะปล่อยวางความทุกข์ได้อย่างนี้ถือเป็นการปฏิบัติไหมครับเป็นถ้าดับความทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติปฏิบัติก็เพื่อดับความทุกข์นี่เอง อ า, อาว่ามาอ ย, า, อย า, ากคนเมื่อกี้ที่เขาถามว่าเขาไปเป็นชู้ถ้าสมมติกรณีที่ผู้ชายมันหลอกผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว <containment. S 2> แร้วไปร่วมประเวณีแต่ทันทีที่มึงที่สามเขารู้ว่าเขาเป็นคนทําลายครอบครัวของเขาก็หยุดอย่างนี้คนที่มึงเป็นมึงที่สามนี้เขาขีดเชือเขคนขที่ไปเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคนน่้ไม่ได้เก่งนะเพราะว่าเขาโดนหลอกถ้าโดนหลอกก็ไม่ผิดนะ เพงแต่ว่าการจะร่วมหลับนอนกันไะอย่างถูกต้องก็ต้องมีการแต่งงานแต่งการเป็นทางการให้ถูกต้องเป็นประเพณีให้มีการรับรู้ของทั้งสองฝ่ายและอย่างกรณีที่มาปฏิบัติธรราคุณแม่เป็นห่วงจริงๆค่ะจะไม่ได้ไม่เชื่อใจแต่ว่าเขาห่วงว่าเราไม่ได้ตาในสายโครตามเลยเลยนี้แหละค่ะท่านอยเออไม่หรอกก็เราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายเราเขาห่วงไปเพราะเป็นธรรมชาติของเขา เขารักใครเขาก็อยากจาะให้เขาให้คนที่เขารักมีความสุขแต่เขาเขาไปเห็นว่าการจะมีความสุขต้องกินอาหารสามมื้อ mm hmm. เขาไม่เห็นว่าการมีความสุขที่แท้จริงคือการทำใจให้สงาอธิบายให้เขาังว่าเรามีความสุขใช่บอกเขาว่าสุขใจมีความมากสุขใจนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าดีกว่าความสุขกาย คำถามจากคุณสายน้ำเคยฟังพระบางท่านเทศสอนแต่ละคนมีนิวรณห้าให้เราดูว่าตัวเรามีนิวรณแบบไหนเช่นก ร, รมะสันทะก็ให้เลือกทำสมาธิโดยพิจารณาทาาศพหรือคนมีโทษก็ให้ทำสมาธิโดยเท่งสีจำเป็นไหมครับที่ต้องพิจารณาว่าเรามีนิสัยแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกรรมฐานให้ตรงกับลักษณะนิสัย อ๋อมันไม่ใช่นิสัยหรอกมันอยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องใช้ยารักษามันนิวร์นี่ก็เป็นเหมือนโรคของใจซึ่งมีกันทุกคนนะ่ยทั้งห้านี้มันผัดกันเกิดขึ้นมาบางทีก็เกิดการมฉันทะอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรอย่างนี้ก็เป็นการมฉันทะหรืออยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นการมาฉันท ะ, ะก็ต้องใช้ยาที่เหมาะกับโรคเยถ้าอยากจะไปร่วมหลับนอนกับคน อื่นก็ให้พิจารณาอสุภะของเขาถ้าอยากจะไปรับประทานอาหารก็ให้พิจารณาอาหารที่ถ่ายออกมาจากร่างกายเหีนันก็เป็นอาหารเหมือนกันพอเราเห็นอาหารที่เราจะกินมันกลายเป็นอาหารที่อยู่ในโถตุ่มมันก็จะไม่อยากกินอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใจเราเกิดนิวรณ์อันใดขึ้นมาเกิดโทสะเราก็ต้องเจริญเมตตาใช่ว่าให้อภัยเขา ใครก็ทําอะไรเราเราก็ต้องอย่าไปถือโอษโกรธเคืองหรือถ้าจะไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราอย่าไปอยากให้เขาทําอะไรใครเขาอยากจะดา่าเราก็ปลอ่อยให้เขาด่าเราเราก็จะไม่โกรธเขาที่เราโกรธเขาเพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเรา่ถ้าเราอยากให้เขาดา่าหรือปล่อยให้เขาด่าโดยที่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่ดา่าเวลาเขาดา่าเราก็จะไม่โกรธครับอันนี้มันมีทุกคนนิวรณ์ห้ มันเพียงแต่ว่าคนบางคนมันจะหนักไปทางไหนมากไปทางไหนบางคนก็หนักไปทางง่วงนอนขี้เกียจชอบกินมากๆอย่างนี้กังสมาธิก็จะหลับอย่างนี้ก็ต้องลดอาหารลงผ่อนอาหารกินให้น้อยหน่อยอดอาหารเลยก็ได้ออดอดวันกินวันอย่างนี้มันก็จะไม่ง่วงบางคนก็ชอบวิตกกังวลคิดฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ อันนี้จะใช้สติก็ได้ให้พยายามกํากับใจให้อยู่กับพุโทธโธพุทโธให้หยุดคิดถงึงเรื่องราวต่างๆความรุ่งซ่านมันก็จะหายไปดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่ในใจของเราทุกคนของผู้ปฏิบัติทุกคนเย่างแต่ว่าตัวไหนมันจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายเราเวลาปวดหัวเราก็หายาแก้ปวดหัวมากินเวลาปวดท้องเราก็หายาแก้ปวดท้องมากินต้องเอายาที่ถูกโรคมากินถึงจะรักษาหาย ไม่ใช่เอายาแก้ปวดท้องมากินตอนที่ปวดหัวกินไงมันก็ไม่หายปวดแต่ใดถ้าเกิดการมราคะแล้วไปแผ่เมตตามันก็ไม่มีวันหายอย่าง น, นีมันก็ต้องใช้ยาที่ถูกกันกรรมฐานที่ถูกกับนิวรณ์ต่างๆถ้าลังเลสงสัยในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติของพระอาหารหันตสาวกครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พอคิดได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังได้เห็นชีวประวัติของท่านก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาบางคนก็ต้องไปถึงอินเดียถึงจะเกิดศรัทธาที่ไปอินเดียก็เพื่อให้ไปปลูกศรัทธาขึ้นมาเพื่อกําจัดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่าพระธรรมคำสอนมีจริงหรือไม่ภาษาวกมีจริงหรือเปล่าก็เลยต้องไปที่อินเดียไปที่โพธิไปที่ททตัดชะลูที่ประสูติที่ตัดชะลู ที่ปรินิพานเนี่พอไปแล้วว่ามีจริงนะสถานที่เหล่านี้ยืนยันว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนมันก็จะทําให้เราหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงก็จะทําให้เราเชื่อแเราก็จะเชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ผล ถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ลังเลปฏิบัติแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าถูกปูกหลอกให้ทําบุญหรือเปล่าทําบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทำไปทําไมคนที่ก็ไม่ทําบุญมีเยอะแยะไปเขาไม่ต้องทําเขาคิดว่าตายแล้วสูนเราจะเชื่อเขาดีไม่ดีเรื่อเรือว่าเราจะเชื่อพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูนพระเจ้าสอนว่าตายแล้วไม่สูนตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเราต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อแต่คนที่ไม่เห็นตัวเรา ก็จะไม่เชื่อว่ามีตัวเราเราจะไปเชื่อว่าตัวเราอยู่ที่ร่างกายพอ ร, ร่างกายตายเราะคิดว่าทุกอย่างก็จบเห็นทําบุญไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ทําบาปก็ไม่ได้ไปนรกเห็นทําบุญไปให้เสียเวลาทำไมเสียเงนินเสียทองทำไมสู้ไปทําบาปไมดีกว่าอันนี้ก็เป็นการไม่เชื่อเพราะพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อก็จะไปทําบาปแล้วก็จะต้องไปรับผลบาปต่อไปจะเชื่อไม่เชื่อเมื่อทําบาปแล้วมันก็ต้องไปรับผลบาป จะเชื่อไม่เชื่อทำบุญแล้วก็จะต้องไปรับผลบุญเพราความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าเราเชื่อเราจะได้ไม่ทำบาปเราจะได้ทำบุญต่อมาคำถามจากคุณหนูการทำทานโดยการให้ของผู้อื่นจะได้บุญจากการทำทานและบุญจากการแผ่เมตตาพร้อมกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวถามอีกทีนี การทําทานโดยการให้ของผู้อื่นจะได้บุญจากการทาทานและบุญจากการแผ่เมตตาพร้อมกันเลยใช่ไหมครับพ อ, อถ้าเป็นของผู้อื่นนี่เราไม่ได้บุญนะของที่เราทํานี่เราต้องเป็นของเราเองเราถึงจะได้บุญเช่นคนอื่นก็ฝากเงินมาให้เรามาทําบุญให้เขาเนี้ยแต่เราไม่ได้ออกเงินของเราเลยเอาเงินของเขามาทํานี้คนที่เป็นเจ้าของเงินน่ะได้บุญแต่เราก็ได้บุญตรงที่ว่าเรา รับใช้เขาช่วยเหลือเขาเราก็ได้บุญส่วนนั้นได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมันเป็นคนละอย่างกับบุญที่เกิดจากการทําทานถ้าเราอยากจะได้บุญจากการทําทานเราก็ต้องทําเพราะอา น, นิสงส์งของการทําทานก็เกิดจะทําให้เรามีทรัพย์รอเราอยู่ภายในพบหน้าชาติหน้าถ้าเราไม่ได้ทําบุญทําทานมัวแต่เอาเงินของคนอื่นมาทําชาติหน้าก็ไม่มีเงินรอเราอยู่ จะมีก็คนที่จะมาคอยรับใช้เราเท่านั้นเองเราเคยรับใช้ใครก็ต่อไปก็จะมีคนมารับใช้เราเราเคยให้เงินใครต่อไปก็จะมีคนเขาให้เงินกลับมาให้เรายังทําอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นเอาแค่สองสามพ่อพอเนาะวันนี้เดี๋ยวคําถามจากคุณโมนี เมื่อเวลาเราเห็นใครตายไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามคนมักเข้าพูดตอบใจกันว่าคนที่ตายแล้วถือว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วจริงหรือไม่อย่างไรครับไม่หมดหรอกเน่ยตายแล้วเน่ยต้องไปรับเวรรับกรรมกันทําบุญก็ไปรับผลบุญทาบากไปก็ไปรับผลบาปแล้วก็พอบุญกับบาปไม่มีกําลังที่จะส่งผลก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ สองข้ออนะ่ะคำถามจากคุณ JK คนที่คิดว่านรกสวรรค์ชาติที่แล้วหรือชาติหน้าไม่มีจริงควรจะแนะนําเขาอย่างไรครับก็ให้เขาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อพระอรันตสาวกเพราะพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกนี้ท่านมีตาในที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้คือท่านสามารถมองเห็นโลกทิพย์มองเห็น ใจที่อยู่ในโลกทิ่ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่างๆอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายละคำถามจากคุณเฟิร์นเวลาเกิดอาการซึมเศร้ามันไม่มีกระจิตกระจกจักราวานาเลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะก็ให้เลิกถึงพระพุทธเจ้าศึกษาพระพุทธประวัติหรืออ่านหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นตอนนี้ก็แจกหนังสือคำหลวงปู่ขาว อ่านประวัติของท่านแล้วก็จะเกิดกำลังจิตกำลังใจว่าท่านก็เหมือนเราท่านก็เป็นคนมีกิเลสเหมือนเราแต่ท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ได้พบกับธรรมันยิ่งใหญ่ได้ดูดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราเห็นประวัติเห็นตัวอย่างของผู้อื่นที่ดีก็จะทําให้เราเกิดมีศรัทธาเกิดมีฉันทาวิริยะที่จะภาวนาต่อไป อาแล้ะนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธอน